เลื่อนขึ้นไปอยู่ภูมิสูงในกรณีที่พวกเราคนใดคนหนึ่งที่เคยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานได้เลื่อนภูมิธรรมแห่งจิตของเขาขึ้นจนกระทั่งสามารถเลื่อนขึ้นไปอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่เราอาจจะต้องคิดถึงเขาบ้างในฐานะที่เคยเห็นหน้ากันมาเคยสนุกสนานด้วยกันและเคยทางานร่วมกันมาเป็นเวลานานแต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รู้สึกเสียใจหรือโศกเศร้าอะไรเหมือนอย่างที่ชาวโลกมนุษย์รู้สึกในเวลาที่ญาติหรือมิตรสหายของตนจากมาสู่โลกทิพย์เลยเพราะเรารู้ดีว่าบุคคลที่เลื่อนไปอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปนั้นได้ไปประสบความสุขอันประณีตยิ่งกว่าและสุขกว่าในปัจจุบันดังนั้นเราจะมีแต่ความยินดีอนุโมทนาในโชคดีของเขาและเป็นเครื่องเตือนใจตนเองว่า เราควรต้องทำความเพียรในทางจิตต่อไปเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เลื่อนชั้นภูมิแห่งจิตของเราขึ้นไปเหมือนเขาได้บ้างและเพื่อเราก็จะได้มีโอกาสไปพบกันในภูมิสูงนั่นอีกแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเช่นนั้นคือเลื่อนไปอยู่ภูมิสูงขึ้นไปเสมอไปในเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ทั้งนี้เพราะมีบุคคลจำนวนไม่น้อย ทั้ในภูมินี้และในภูมิอื่นทั้งที่สูงกว่าและต่ํากว่าซึ่งมีภูมิแห่งจิตสูงพอที่จะขยบชั้นภูมิขึ้นไปได้แล้วแต่ก็ยังพอใจที่จะอยู่ภูมิเดิมนั้นไปก่อนด้วยเหตุผลบางประการของท่านเองตัวอย่างเช่นในภูมิเหล่านี้มีอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆหลายท่านที่จะไปอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอีกเมื่อไรก็ได้เพราะท่านมีคุณสมบัติสูงถึงขั้นแล้วจริงๆ และท่านก็ได้มีบ้านอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปนั้นแล้วจริงๆด้วยแต่ท่านก็ยังพอใจที่จะอยู่ในภูมิเดิมนั้นไปก่อนและก็ยินดีที่จะทำงานประเภทเดิมนั้นต่อไปอันที่จริงถ้าจะว่าไปการเสียสละประโยชน์สุขของตนเองเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญและพระณีธแห่งจิตยิ่งขึ้นไปอีกทั้งๆ ท, ที่ท่านเหล่านั้นเองก็อาจจะไม่ได้เคยคิดฝันเลยว่า จะได้ผลตอบแทนจากการเสียสละยิ่งขึ้นอีกเช่นนั้นคำว่าครูอาจารย์ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นั้นไม่ใช่ว่าจะหมายถึงครูอาจารย์ผู้สอนธรรมะเสมอไปอันที่จริงอาจจะหมายถึงครูอาจารย์ในวิชาสาขาอื่นๆเช่นในทางศิลปะวิทยาต่างๆด้วยก็ได้เพราะยังมีบุคคลอื่นอีกนับเป็นจำนวนพันๆหมื่นๆ ที่กำลังศึกษาหรือกำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้นรักอยู่ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยบรรยายท่านทรามาแต่ต้นแล้วท่านเหล่านี้มีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับการงานชนิดนั้นๆโดยเฉพาะคือท่านทำงานเพราะความรักในงานนั้นหรือศึกษาเล่าเรียนเพราะความรักในวิชานั้นจริงๆโดยไม่ได้มุ่งหวังผลอย่างอื่นใดเลยดังนั้นท่านจึงยอมเสียสละผลแหความสุข อันจะเกิดแก่ตนเองเสียชั่วคราวเพื่อดำเนินงานอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปก่อนแต่วันหนึ่งท่านก็คงจะต้องเลื่อนขึ้นไปอยู่ในภูมิอันเป็นภูมิของท่านเองโดยเฉพาะจนได้ทั้งนี้เพราะว่าการฝืนทนอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่าระดับจิตใจเช่นนั้นไปนน็นนานเกินไปย่อมจะทําให้เกิดความอึดอัดแก่ท่านเองเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ไปเลยเพราะท่านอาจจะกลับมาเยือนภูมิเดิม และเพื่อนฝูงกลุ่มเดิมได้อีกและท่านก็สามารถมาดําเนินงานชิ้นเดิมต่อไปได้เป็นครั้งคราวเหมือนกันในการนี้จะก่อให้เกิดความปรีติยินดีอย่างใหญ่หลวงแก่มิสหายและสิทธิเดิมเป็นอย่างยิ่งยังมีบุคคลประเภทอื่นอีกมากซึ่งไม่ได้เป็นครูอาจารย์แต่ก็ยังยินดีรออยู่ในภูมิต่ำไปก่อน ท, ทั้งที่ตนสามารถจะเลื่อนภูมิขึ้นไปได้แล้ว ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวของท่านบางประการตัวอย่างเช่นบุคคลสองคนที่มีความผูกพันทางจิตใจระหว่างกันอย่างรุนแรงในระหว่างที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เช่นสามีและภรรยาเป็นต้นในตัวอย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้ฝ่ายภรรยาได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ก่อนและได้เข้าถึงภูมิชั้นหนึ่งต่อมาฝ่ายสามีก็ได้จากโลกมนุษย์ตามมาแต่ทว่าได้เข้าสู่โลกทิพย์ในภูมิที่ต่ำกว่าภรรยา เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีความผูกพันและอาลัยต่อกันยังไม่เสื่อมคลายฝ่ายภรรยาจึงยอมลงไปอยู่ภูมิต่ำเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับสามีและช่วยเหลือให้เขาได้ทำความดีเพื่อเลื่อนภูมิธรรมแห่งจิตให้สูงขึ้นและเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้โดยสะดวกเป็นการท้าววนสืบไปจากนั้นเขาทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันในภูมิเดียวกันโดยไม่แยกไปไปม า, มาหากันอีกจนกว่าจะถึงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะเลื่นขั้นภูมินำหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องเช่นนี้มีอยู่มากมายในโลกทิพย์และท่านเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ทีเซรีที่จะทำได้ตามใจปรารถนาและการที่ท่านยอมเสียสละความสุขอันยิ่งใหญ่กว่าในภูมิสูงขึ้นไปนั้นก็จะรับความสุขจากการทำงานที่ใจรักและการอยู่ร่วมกับผู้ที่มีรสนิยมและความเห็นตรงกันเป็นเครื่องชดเชยได้เหมือนกัน แต่การที่มิสหายหรืออาจารย์ผู้ร่วม ง, งานของเราได้จากไปสู่ภูมิสูงขึ้นไปนั้นก็<_ <EN> _>มิได้หมายความว่าเราจะขาดการติดต่อกันไปเลยเราอาจจะส่งกระแสความคิดติดต่อกันได้โดยถ้าหากว่าเกิดความคิดถึงหรืออยากพบขึ้นมาจริงๆ<_ <EN> _>ก็อาจจะนึกให้เขาผู้นั้นมาหาเราและในฉับพลันเขาก็จะมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าเราทันทีแต่เรื่องเช่นนี้ เราใช้กันในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นในเมื่อไม่มีคนทางอื่นอีกแล้วแต่โดยปกติเราจะติดต่อกันได้โดยวิธีที่ข้าพเจ้าจะได้อธิบายให้ท่านทราบในภายหลังข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าโลกทิพย์ไม่ใช่โลกแห่งการหยุดนิ่งหรือตายด้านในโลกทิพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ทุกแห่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบุคคลผู้อยู่ในโลกทิพย์นั่นเองและโดยเหตุผลก็ย่อมจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะถ้ามีได้มีการเคลื่อนไหวหรือการทำงานอยู่เสมอแล้วเราจะเลื่อนภูมิธรรมแห่งจิตก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างไรแน่นอนที่การเลื่อนชั้นภูมิดังกล่าวมาจะต้องทําให้มีการจากกันในกลุ่มเก่าและมีการรวมกลุ่มกันใหม่ในภูมิสูงขึ้นไป แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายที่น่าเศร้าโศกได้อย่างใดเราทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเดินทางก้าวหน้าของจิตใจนั่นเองทุกคนจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะแรงกระตุ้นที่จะทำให้เกิดการก้าวหน้านั้นมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนและก็ไม่มีใครสามารถหนูงเหนี่ยวเราไว้ได้แต่ข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านระลึกถึงความจริงข้อหนึ่งไว้ด้วยคือเราตางก็มีความพอใจ ในสภาวะความเป็นอยู่ของเราเป็นอันดีไม่มีผู้ใดเป็นทุกข์เป็นร้อนกว่าความสุขอยู่ในสภาวะปัจจุบันนี้เลยหมายเหตุผู้อ่านในความจริงนั้นการได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ว่าทุกคนที่พร้อมจะเลื่อนขั้นหรือสนใจในการพัฒนาจิตยอยากเลื่อนขั้น ในที่นี้เป็นไปได้ว่าท่านเพิ่งไปเกิดในโลกทิพนั้นยังไม่ถึงร้อยปีอาจเป็นไปได้ว่าท่านได้เห็นแต่คนที่เลื่อนภูมิขึ้นไปหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าพบภูมิที่ท่านอยู่นั้นเป็นพบภูมิที่กรองคนมาแล้วคือดึงแต่คนที่มีเพื่อนจิตเพื่อนใจที่พร้อมจะพัฒนาตนเองมีฐานจิตพอที่จะพัฒนาตนได้ให้มาอยู่รวมกันซึ่งทําให้ได้เห็นแต่คนที่พร้อมจะพัฒนาจิตและเลื่อนขั้นขึ้นไปนะครับ จะเห็นได้ว่านี่เป็นเพียงสวรรค์ชั้นต้นยังห่างไกลกับคําว่าพิจารณาไตรลักษณ์ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่เทวดาผู้มีแต่ความสุขจะเห็นได้จริงว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องอนัตตาหากไม่มีความรู้เดิมมาก่อนก็จะยิ่งเข้าใจยากขึ้นไปอีกการพัฒนาจิตเลื่อนขั้นตามหนังสือนั้นน่าจะเป็นการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานซึ่งท่านได้ฟังเรื่องทั้งหมดมานะครับ จะพบว่าเทวดาในชั้นนี้จำนวนมากก็ยังมีอุปาทานความยึดมั่นหรือมิจฉาทิฐิในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอนัตตาจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะพ้นจากสังสารวัฏไปได้พบของมนุษย์นั้นเป็นพบที่เหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดและบนสวรรค์นั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะทำวิปัสสนาจนเข้าใจตรายลักษณ์ได้จริง ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับ